ตอนทุกประจําวาเรื่องทุกประจําสิก่อนแล้วค่อยว่าเรื่องทุกจอนต่างหากจะได้ไม่พันกันทุกประจํามีสามอย่างคือเกิดแก่ตายบางทีก็เติมเจ็บเข้าไปด้วยอย่างที่เราพูดกันติดปากว่าเกิดแก่เจ็บตาย ในที่นี้เอาเจ็บรวมกับแก่เสียเพราะเจ็บนั้นเป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกจากความสุดของร่างกายพูดง่ายๆเจ็บก็เป็นพวกเดียวกับแก่นั่นเองนอกจากนั้นแล้วความเจ็บก็ไม่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองเป็นเพียงขุนเสนอหรือพวกจ่าปล่อยเท่านั้น เขาจะเกิดก็ปลอยไปช่วยให้เขาเจ็บเขาจะแก่ก็ปลอยไปช่วยให้เขาเจ็บเขาจะตายก็ปลอยไปช่วยเขาเจ็บนานทีของตัวจริงๆไม่เห็นมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นยุคอัตราทุกลงเสียหนึ่งอัตราคือเลิกตำแหน่งเจ็บเอาไปรวมกับแก่ส่วนปัญหาที่ว่าเวลามันทุกเพราะเจ็บจะแก้อย่างไรเช่น เวลาป่วยไข่กนวิธีสำหรับปัญหานี้โยกไปไว้ตอนทุกจรข้างหน้าตกลงทุกประจำคงไว้สามตามที่ท่านจัดในบาลีทั่วไปตอนเกิดความเกิดหมายถึงการตั้งต้นชีวิตหรือการเริ่มตั้งรูปร่างกาย การถือจุดเริ่มต้นว่าคนเรานี้เริ่มเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่แน่ก็มีสองในนับได้สองจุดคือท้นับการเริ่มต้นชีวิตก็นับตั้งแต่เกาะตัวในคันของมารดาค่าลูกในท้องก็คือค่าคนคนหนึ่งนี่นับข้างชีวิตเพราะชีวิตที่เรามีอยู่นี้ซืบเนื่องมาตั้งแต่โนนนับอีกอย่างหนึ่ง คือนับตั้งแต่เริ่มเป็นตัวของตัวถือเอาตอนคลอดทางโหราศาสตร์จับเอาตรงเวลาคลอดนี้เป็นเวลาเกิดเรียกว่าเวลาตกฟากที่ว่าฟากเห็นจะหมายถึงฟากข้างหนึ่งหรือฝั่งหนึ่งของชีวิตคือชีวิตตอนอยู่ในท้องของผู้เป็นมันดานั่นเป็นฟากหนึ่งทีนี้พอคลอดออกมาก็เรียกว่า ตกมาอีกฝ้าข้างหนึ่งเวลาผูกดวงชะตาใช้จุดนี้ทางราชการก็ใช้จุดนี้คือใช้เวลานั้นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเป็นวันเดือนปีเกิดส่วนที่อยู่ในคันมันดาไม่เกี่ยวการนับสองแบบนี้ความจริงก็ต่อเนื่องกันและมีเหตุผลด้วยกันต้อนอยู่ในคันมันดา ชีวิตก็เริ่มต้นแล้วแต่เป็นชีวิตร่วมคือร่วมกับมาดาคือยังเป็นคนคนเดียวกันเพศยังไม่ปรากฏชื่อยังไม่ตั้งสมโนครัวยังไม่มีถ้าไปลงบัตรเลือกผู้แทนก็ลงได้บัตรเดียวเท่ากับคนไม่มีคันแต่พอคลอดออกแล้วจึงแยกเป็นคนหนึ่งต่างหากเลิกการใช้ชีวิตร่วม หายใจเองกินอาหารเองถ้าจะเปรียบตอนอยู่ในคันก็เหมือนลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานยังอยู่กับพ่อแม่อะไรอะไรก็อยู่ในกองสีทั้งนั้นแม้แต่จะไปทำงานได้เงินเดือนแล้วก็ไม่พ้นกองสีต้นเดือนเงินเดือนออกเอามาฝากตุนแม่ไว้100บาทถึงกลางเดือนถอน100บาทตกปลายเดือน ก็ยืมเงินคุณแม่150บาทคุณแม่ก็กําไรงามทุกเดือนพอขึ้นเดือนใหม่แทนที่จะใช้ที่ยืมไป150บาทแต่กลายเป็นฝากใหม่แล้วก็ถอนแล้วก็ยืมเรียกว่าล้มเลิกหนี้กันเป็นรายเดือนร่ําไปนี่เล่าเอามาเทียบกับชีวิตตอนอยู่ในคันที่เป็นชีวิตร่วม ทีนี้อยู่มาอยู่มาโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วได้แต่งงานเป็นฝาเป็นฝั่งนี่เป็นตอนหนึ่งแยกจากกงสีแล้วเท่ากับว่าเป็นตอนตกฟากนั่นเองแต่ความจริงก็คือคนคนเก่านั่นแหละตอนเกิดเป็นทุกข์ความเกิดนั้นชาวโลกว่าไม่ทุกขแต่พระว่าทุกข และเป็นทุกข์ชั้นหัวแถวเขาเสียด้วยเพราะเหตุใดจึงว่าเกิดเป็นทุกข์ลองพิจารณาดูบางท่านอธิบายโยงไปโยงมาหลายเงื่อนหลายทางจะให้เห็นว่าทุกข์แต่ความไม่เจ่มเสียมากเห็นจะเนื่องจากเราฟังของท่านไม่เข้าใจนั่นเองเช่นอธิบายว่ามารดาต้องอุ้มขันตั้ง8เดือน9เดือนอดเผ็ดอดร้อน ไปมาลำบากนักดังนี้อธิบายอย่างนี้จะเห็นว่าผู้เกิดทุกข์กลับเห็นเป็นว่ามารดาเป็นผู้ทุกข์ดูชักจะเขวาบางท่านเลยไปถึงว่าวันที่เราจะคลอดนั้นญาติพี่น้องต้องวิ่งเต้นช่วยเหลือตัวเป็นเกลียวไหนจะต้มน้ำไหนจะตามหมอฝ่ายผู้เป็นพ่อก็จะเข้าหน้าไม่ติด โผล่เข้าไปทีไรก็โดนกระทู้ด่วนปวดศีรษะเป็นกำลังอธิบายชาติทุกข์ไปเสียอย่างนั้นดูยิ่งเหลืองไปไกลหนักเข้าชาติทุกข์ก็ไปตกอยู่กับหมอตำแยยหมดเท่านั้นถ้าให้ทุกไปอยู่ที่คนอื่นเป็นผิดหลักเพราะตามหลักพระพุทธวจนะเกิดแก่ตาย ทั้งสามอย่างอยู่ในคนคนเดียวนั่นเองและมีทุกคนแม้พวกที่ไม่เคยอุ้มท้องเลยเช่นพวกผู้ชายก็ต้องทุกข์ด้วยจึงจะถึงในการอธิบายชาติทุกข์ผมเองก็เคยลำบากใจมามากแล้วแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้คนก็ไม่เจอคิดก็ไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ก็คิดเห็นเหตุผลอยู่อย่างหนึ่ง แล้วก็มั่นใจด้วยว่าถูกถึงจะไม่ถูกทั้งหมดก็คงถูกบ้างสักส่วนหนึ่งความจริงก็ไม่ใช่ตรัสรู้เอาเองห่างแต่รวบรวมขึ้นจากตำรับตำรานั่นเองคือความเกิดที่ประว่าทุกนั้นเพราะว่ามันลำบากมันเกิดยากเกิดเย็นกว่าจะเกิดมาได้ก็เรียกว่าลำบากเกลบตายที่เราจะเกิดมาจนได้ยืนพูด ได้นั่งฟังกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นวันเกิดของเรานั้นถ้าจะพูดกันอีกทีหนึ่งก็คือวันรอดตายของเรานั่นเองและที่เราชอบทำบุญฉลองวันเกิดว่ากันที่แท้ก็คือวันรอดตายฝ่ายผู้ไปอวยพรวันเกิดก็คือไปแสดงความยินดีที่ผู้นั้นรอดตายอย่างวุดหวิดที่สุดอีกนั่นแหละ ถ้าพูดถึงการเผชิญภัยคนเราต้องมีท่าอยู่สองท่าคือท่าสู้กับท่าหนีอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาไว้ให้ได้หนึ่งท่าจึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนมีท่าถ้าหมดทั้งท่าสู้หมดทั้งท่าหนีคือสู้ก็ไม่ไหวหนีก็ไม่รอดเขาเรียกว่าคนหมดท่าถ้าแพ้แล้วก็ต้องแพ้อย่างไม่เป็นท่า ทีนี้คนจะมีท่าก็ต้องคนมีกำลังอยู่ในตัวยางได้อย่างหนึ่งคือกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังขวางคิดกำลังพวกพ้องคนโตๆอย่างเราเมื่อประสบภัยมันก็ยังมีท่าบ้างจริงไหมเพราะเรามีกำลังกายพอที่จะต่อสู้หรือวิ่งหนี หรือดิ้นรนให้พ้นภัยอย่างน้อยที่สุดก็สู้ด้วยมวยครูคือพนมมือว่าให้รอดตัวไปทีสิ้นกำลังกายก็ยังมีกำลังทรัพย์พอจะจับจ่ายบุกเบิกลู่ทางแม้ความคิดความอ่านก็พอมีบ้างและพวกพ้องเพื่อนฝูงก็พอจะไหววานกันได้เพื่อนประจําตัวไม่มีก็ยังมีเพื่อนร่วมโลก ถึงที่คับขันเพียงร้องตะโกนขึ้นก็อาจมีใครๆวิ่งมาช่วยเหลือรวมความว่ายังมีท่าสู้ท่าหนีแต่การประสบภัยของเราในวันที่เราเกิดนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆหวาดเสียวจริงๆไม่เคยมีการประเชิญภัยครั้งใดอีกแล้วในชั่วชีวิตนี้ที่จะร้ายแรงเท่าครั้งนั้นคิดดูว่า เรามีกำลังทั้งสี่เพียงใดกำลังกายเราก็ไม่มีเพียงคลอดออกมาความหน้าหายใจไม่ออกแล้วจะพลิกตัวกลับโดยลำพังก็ไม่ไหวแล้วยุงกับตัวเดียวก็ไม่มีแรงจะตกมดไต่ตัวเดียวก็ไม่มีแรงจะสู้กำลังทางกายของคนเกิดใหม่เป็นอันเลิกพูดกันทีเดียวกำลังซับก็เสร็จอีก เงินอัดเดียวที่จะเป็นของตัวก็ยังไม่มีเรามาตัวเปล่าด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่เงินค่าหมอตำยก็คนอื่นเขาออกให้เรื่องกำลังทรัพย์นี้ก็ผ่านได้กำลังความคิดยิ่งแล้วเลยในขณะที่เราเกิดนั้นอย่าลืมว่าเป็นคนโง่ที่สุดคนหนึ่งในโลกความรู้ความฉลาดเพิ่งหามาได้ทีหลังนี่เอง กำลังพวกพ้องก็อีกแหละเราเป็นคนใหม่ต่อโลกยังไม่เคยทำความดีต่อใครแม้แต่นิดเดียวที่จะชักจูงใจคนอื่นให้มาเป็นเพื่อนหรือเป็นพวกพ้องตัวเราเองยังไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าคำเดียวเราก็พูดกับเขาไม่เป็นอย่าว่าแต่จะรู้จักคุ้นเคยกับคนอื่นเลยแม้แต่ผู้ที่เรามาอาศัยท้องท่านเกิด คือมารดาบังเกิดกล้าวของเราเองเราก็ไม่รู้จักว่าท่านชื่ออะไรหน้าตาอย่างไรและนิสัยใจคอเป็นอย่างไรพูดกันง่ายๆว่าในวันที่เราเกิดนั้นเราตกอยู่ในลักษณะหัวเดียวกระเทียมรีบแต้การเกิดเราต้องเสี่ยงภัยทุกประตูพลาดกลังนิดเดียวก็ตาย แล้วอย่างนี้จะว่าเกิดไม่ทุกอย่างไรการเกิดนั่นแหละคือการทำงานที่ทุกข์และลำบากที่สุดในชีวิตนี้เพราะตัวเองอยู่ในฐานะเป็นคนไม่มีท่าความเป็นความตายฝากไว้กับคนอื่นทั้งสิน้นและคนเหล่านั้นก็ไม่รู้จักมักคุ้นกันเลยถ้าจะว่าข้างยากการเกิดก็ยากกว่าการตายมากคิดดูเองก็ได้ ต้องมีโนนมีนี่ตั้งร้อยอย่างพันอย่างแต่การตายไม่เห็นต้องทำอะไรปล่อยไปเฉยๆมันก็ตายของมันเองตกลงว่าการเกิดนั้นทั้งทุกข์ทั้งยากทุกจนจาไม่ได้ว่ามันทุกข์แค่ไหนถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะทุกข์มากอย่างนี้คงไม่มีใครอยากจะเกิดสมมติว่ามีการประกาศรับสมัครเอาคนไปเกิดในโลกใดโลกหนึ่ง ซึ่งตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะไปโลกไหนและที่ที่จะไปนั้นก็ไม่มีใครรู้จักกันเลยไปอย่างหัวเดียวกระเทียมลีอย่างตอนมาเกิดนั่นแหละที่เสียว่าเขาจะต้องเอาตัวออกเดินทางอีกสามวันข้างหน้าอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะสมัครไปไหมเชื่อ ว, ว่าคงไม่มีใครสมัครแน่ผมคนหนึ่งละ่ะที่จะไม่ขอไปด้วย นี่พูดให้ฟังว่าความเกิดแก่ตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าจะว่าข้างทุกข์มากและห ว, ว่าเสียร้ายแรงกันแล้วการเกิดทุกข์มากกว่าการแก่การตายข้าพเจ้าอยากจะพูดเท่านี้เองแต่เลยพาท่านผู้ฟังเตลิดไปเสียไกลขอโทษด้วยพูดมากไปประเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่า คนพูดไม่สนับสนุนการเพิ่มพลเมืองไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงพูดอย่างนี้แหละเป็นการสนับสนุนที่ดีเป็นการสกิดคนที่เป็นพ่อคนแม่คนหรือที่เตรียมจะเป็นต่อไปก็ตามจะได้ไม่ประมาทไม่ดูเบาและเมตตาช่วยคนที่สิ้นท่าแล้วให้ปลอดภัยได้บุญแรงและคนที่เกิดมาแล้วอย่างพวกเราก็จะได้สำนึก และจำไว้จนตายว่าตัวเรานี้เกิดมายากเกือบตายชีวิตนี้ได้มายากนักเดชะบุญว่าคนอื่นเขามีใจเมตตาช่วยไว้ดอกไม่เช่นนั้นฝังดินไปนานแล้วรู้อย่างนี้แล้วจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์คุ้มกับที่ได้มายากทั้งจะได้รู้คุณพ่อแม่พี่น้อง ที่ช่วยให้เรารอดตายมาได้ตั้งแต่ครั้งกระนั้นคนเราที่ริทำอะไรยุ่งยุ่งใช้ชีวิตอย่างป่นปี้เหมือนเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่หาได้ง่ายๆและแสดงตัวเป็นคนถอยเลวซามเหยียบย่าทําลายพ่อแม่ประพฤติดูหมิ่นญาติของตนเหล่านี้เป็นสันดาณของคนลืมเกิดทั้งนั้นคนลืมเกิด ยอมเป็นคนทรยศต่อพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกับคนลืมตายเป็นคนทรยศต่อตัวเองเรื่องเกิดพอกันที